เราได้มีสติไปในกายไปในใจก็เหมืนมีพระธรรมวินัยในตะลีวินัยทำไม่ให้ตำแหน่งภิกษุผู้มีสติผู้มีสติไปไหนไปคนเดียวได้แม่แต่พรรษาเดียวก็ไปได้ถ้าผู้มีสติต้องไดห้าพรรษาให้พจนิษฐ์ไสยมุตตกะ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 <c oughs> คื อ, อความรู้สึกความระลึกได้แม้ว่ากายก็ดีใจก็ดีกายเป็นสิ่งที่สัมผัสได้หลายหลายทางเป็นตาเป็นหูสมองลีนกายใจมีลูกมีรสมีกลิ่นมีเสียงมีพุทธภาการสัมผัสร้อนหนาว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 าเห็นโลกก็มีสติหูได้ยินเสียงก็มีสติจมูกได้กินก็มีสติลิ้นได้รสก็มีสติกายสัมผัสถูกต้องก็มีสติกิจใจคิดก็มีสตินันจนเป็นเอตะทะะัคอันเดียวไม่ว่าเรามีกายเรามีใจก็คือความรู้สึกตัว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 ปอยู่ในการกระทำก็ไม่ไม่เพี้ยนไม่ผิดเพี้ยนเป็นชีวิตที่ชัดเจนเป็นชีวิตที่แม่นยำนอกจากการาเราใช้ชีวิตที่ไปกับงานกับการแล้วเราก็ปฏิบัติทำทุกเวลานาทีมันมีสตินันก็ไม่ต้องไม่ต้องไปปรุง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 ปัน้นโลบเล็กโลบใหญ่ปัน้นโลบงามโูบไม่งามแต่หม้อที่ในช่างปั้นขึ้นจะเป็นโลกโูบงามไม่งามเป็นโูบเล็กโลบใหญ่ก็แตกทั้งนั้นผิดผลของสังขารผิดผลของสมุทยัยในมันขยันขนาดนั่นละ่ะเขาขยันของเขากองขัดท่าที่เป็นอุปาทานเขาขยัน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 ลักษณะของกิตแต่เราไม่รู้ไม่ดูไม่แล่มันอยู่กับความคิดก็ไม่เห็นความคิดต่เรามีสติมันจึงจะเห็นในตัวกิดเหมือนกับลิงตาเหมือนกับงูชอบดูชอบเพ่งเล็งหูเหมือนกับนกจมูกเหมือนกับ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 เสียงมันก็คือลดกลิ่นมันก็คือลดหูออกายมันก็คือลดใจมันก็คือลดลดทางเสียงลดทางกลิ่นลดทางลดล ด, ลดทางกายลดทางใจมีรสชาติคือโลกสัตสั ต, โ ล, สตโลกทั้งหลายก็ยอมติดอยู่ในรดของเขาหาเงินหาทองหาอะไรก็เพื่อรด อัด น, นี้พวกเรามาดูมาดูโลกสาทั้งหลายจงมาดูโลกพระพุทธเจ้าว่าสาทั้งหลายจงมาดูโลกอันวิกิตการดุดลาดฉลดุดติดตกแต่งแล้วคนเขาเขาก็ยอมโมกอยู่แต่ผู้มีปัญญาหากรงอยู่ไมหมมาดู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 ดูถ้าเห็นลรามันดูมันดูที่มันฉายออกมาอน่าจะดูการเคลื่อนไหวเป็นอริบทเป็นนิดๆเคลื่อนไหวเพื่อให้ลู้ <c oughs> มันไม่มีแต่ความรู้ที่มันเคลื่อนไหวอย่างเดียวเกิดเป็นเวทนา เกิดเป็นความร้อนเกิดเป็นความหนาวเกิดเป็นความปดความหม้่อยความหิวความสุขความทุกข์โอออกมาให้ดูแล้วก็เห็นโอ้อันนี้ก็อนหนึง่งโอ้อันนี้ก้อนนึง่งควา ม, มง่วงเอาหานอนตามมาลาคะพายาบาทอ้าวมันก็มีอยู่อีกเทนะมิถะ ถ้าจะกกูจะความยึดม um. ั no ่นถือมั่นในตัวในตนกูดีกูชั่วกูหลอนกูหนาวกูเจ็บกูปวดออกมันหล้่มเข้าไปก็โูดสุดตัวมันก็ถอนออกมาออกมาดูก็เห็นเป็นราการทั้งโลกทั้งนามทั้งกายทั้งใจเห็นกายเป็นโลกเห็นใจเป็นนามมันีะก็กข่วงขวางแตกฉาน ดูไปดูมามันแตกฉานมันคนเรียนรู้วิชาการต่างๆมันแตกฉานพอดูปั๊บเขก็จบทันทีจำนวนออกมาได้ถ้าคนไม่ศึกษาก็าดูก็ไม่ออกดูแปลนบ้านไม่ออกถ้าคนศึกษาถ้าคนรู้เขก็ดูออก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 พาไปก็ไปถึงชรามรณะโสกะปริเทวทุกข์หากลับก็คือมาถึงสติตมีสติตเลีล่ยเรวอยู่ตองต้นมีสติตรงกลางมีส ต, ต, สติที่สุดคือสติในส่วนก็มีสติเลี่แลรวอยู่มีสติเลีแล่แรยวอยู่เป็นสุดยอดแลยว่ะเป็นสุดยอดไม่ไปไม่เวียนไหวไม่เป็นพบเป็นชาติไม่เป็นอวัตตะ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 ขเขาก็อยู่ในวัฏตะก็จะเปรียบกับกิเลสตวนก็มันวันกันละเหมือ น, นกันทีนี้อะไรมันคือกัรกิเลสวิบากกันกิเลสวิบากตัวกรรมคือตัวกินตัวติดคือวิบากตัว อ, อยากคือกิเลส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 ดับไม่เหลือถ้าเราไปใช่กับตัวอืน่นคนมันกันเราตัดตัดวตัดวงล้อของกิเลสกรรมวิบากมันก็กลับขากลับขาไปทำไมเราจึงโกรธทำไมเราจึงโลภทำไมเราจึงทุกข์นมันก็ต้องตั้งต้นจุดนี้แหละ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 ่ชกใส่าตามันถูกตามตามันทุกทีถูกตามมันทุกทีเอาไปมามันก็ไม่เห็นหนุนไม่เห็นทางมันก็ยอมแพ้ไปก็คือดูกิจเอาสติดูกิจเอากิ่ดูกิจนนี่คือตามันอยู่ตรงนี้แหละตาสมุทัยตาสังขารตาโลกตาจิเลตตัญหาอยู่ตรงนี้แหละมันตั้งกอวดขึ้นตรงนี้แหละ คิดขึ้นมาเราโกรธ ค, คิดขึ Halo, Lego, bio, dogs, life, ้นมาแล้วโลภคิดขึ้นมาแล้วหลงคิดขึ้นมาเราเกิดจิเลตันนะคิดขึ้นมาเราพอใจไหมพอใจเป็นโศกเปนทุกข์นี่คือตามันโัวสติก็คือเป็นหมัดหนักๆว่ามันคิดขึ้นมาลูบพับน่ะโอ้พับถูกตามันแล้วง่ายก็ลูบอีกไม่ก็ลูบอีกมันจะไปไหนบ้าะ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 มายแล้วปันไม่เมอะไรอีกแล้วปันไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วปันมีสตินรอบโูกไ้ไหนก็ลูลมีหนึ่งเดียวคือตัวรู้สึกตัวชีวิตชัดเจนแน่นยาไม่ปรุงเป็นชีวิตลว้วนลวนบริสุทธิ์เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นศีลศิ ข, ขาถลุงย่อยแยกไม่เป็นรุ่น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 ศีลกิดมาที่ปัญญาเป็นมากเป็นผลเป็นพรมจันด้วยติสุสดคือพรมจันบริสดุดคนมีสติก็ไม่เปิดไม่เพื่อนกับอะไรแล้วตวัวประพฤติพรมจันจริงๆ ก, ก็ ส, สติน่ินะ ไ, ไม่ใช่คนผมผมเหลืองนุ่งขาวผมขาวนั่นก็เป็นรูปแบบ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 ก่อนจึงค่อยมาห่มผ้ากีบรนหลายรูปไม่พระลหันแปดสิบรูป น, รนนะครึ่งต่อครึ่งเป็นพระลหันก่อนเข้าถึงพรหมจรรย์ก่อนจึงมาโกนผมห่มผ้าเลื้อง <S <S <chor> ราะนั้นเนยตัวนี้แท้ๆทละ่ะศึกษาตัวนี้แหละเราไม่ผิด